มัศการเจ้าค่ะหลวงตาเจ้าค่ะหนูกดาบเรียนถามว่าอวิชชาเนี่ยมันมีอยู่ตลอดเวลาไหมเจ้าคะมันดับทีเดียวหรือว่าบางครั้งมีบางครั้งไม่มีเพราะบางครั้งน่ยเมื่อว่างน่ะมันมันไม่รู้สึกว่ามันมีจุดที่ออกไปแต่บางครั้งเนี่ยมันรู้สึกว่ามันมีจุดอย่างเช่นห่างเนี่ยมันจำรู้ว่ามันวัดจากจุดนั้นนะออกไป ก็เลยสงสัยว่าอาวิชชาเนี่ยจริงๆมันดับทีเดียวเมื่อจบหรือว่ามันมันเกิดดับของมันอยู่แล้วเจ้าคืะมันก็มีแอบแฝงอยู่ในใจเราเนี่ยแหละถ้ามันดับอวิชชาได้สนิทปุ๊บมันก็บรลลรลุนิพพานเลยเจ้าค่ะความไม่รู้เนี่ยเนี่ยความไม่รู้เพราะความไม่รู้นี่ยเนี่ยที่ทํำให้บรรลุนิพพานไม่ได้นี่ยเนี่ยมันก็เลยเป็นอวิชชาคลายใน ใ, นใจ่ะ อ๋อเจ้าค่ะไม่รู้ว่าทําไมจึงไม่รู้วิพญานเจ้าค่ะแม้แต่ว่าเรามีความรู้หมดแล้วเนี่ยแต่ก็ไม่รู้ว่าทําไมจึงไม่ไม่รู้วิญาณในความไม่รู้เนี่ยเป็นเอาวิชาเจ้าค่ะอีกคําถามหนึ่งเจ้าค่ะอันนี้หนูไม่รู้ว่ามันเป็นความเข้าใจที่ถูกไหมคะนี้เดี๋ยวจะไปเขียนลงในหนังสือก็เลยจะกลาบไปเรียนถามก่อนหลังๆมันเนี่ยหนูเข้าใจว่าจริงๆแล้วเมื่อจิตตั้งมั่นเนี่ยคือเมื่อจิตตั้งมั่น จิตที่มันแล่นรู้ได้เนี่ยมันก็คือลงถึงฐานเมื่อลงถึงฐานขณะนั้นจริงๆมันก็เหมือนกับมันเป็นใจตรงนั้นนั่นล่ะค่ะคือจิตที่มันรู้วิญญาณขันน่ะมันก็คือออกมาจากจุดนั้นน่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันถึงฐานนะขณะนั้นมันก็คือตัวมันก็คือเป็นใจแต่เป็นใจที่ยังยังมีอวิชชาเนี่ยเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย หนูเข้าใจว่าเมื่อคำที่ว่าสติมีสมาธิมีปัญญามีธรรมมีเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่มีสติเนี่ยขณะนั้นมีธรรมอยู่ด้วยธรรมนั้นก็คือธรรมที่เป็นเป็นธาตรู้นั้นนะเจ้าค่ะแต่เพียงแต่ว่ามันยังไม่บริสุทธิ์คือมันความรู้เนี่ยมันรู้แล้วมันก็ มีสังขารเกิดขึ้นแล้วมันก็รู้สังขารนั้นไม่มีใครไปเสวยสังขารไม่มีตัวตนของผู้รู้ในขณะจิตที่มันมีแต่สังขารที่เกิดขึ้นสังขารคิดสังขารพรงแต่งเกิดขึ้นไม่ปรากฏผู้รู้เลยมีแต่ปรากฏแต่สังขารความคิดสังขารพรงแต่งเกิดขึ้นแล้วก็ผู้รู้ไม่ปรากฏผู้รู้ไม่ปรากฏแต่ก็รู้อยู่ว่า สังขารที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนั้นไม่มีใครยึดถือไม่มีใครยึดมั่นถือมั่นแต่ถ้ามันเป็นแค่ขณะจิตนั่นแหละมันเป็นแค่ขณะจิตแล้วมันก็กลับไปหลงเป็นคนคิดเป็นคนปรุงแต่งตัเองแต่เมื่อมีสติมีปัญญาเห็นอยู่ว่าตอนนี้เราไปหลงคิดหลงปรุงแต่งตัเองแล้วความหลงคิดหลงปรุงแต่งตัเองมันก็ดับไปแล้วมันก็เห็นว่ามีสังขารเกิดขึ้น มีความคิดความนึกความตึกความตองเกิดขึ้นมีความพยายามในกรณีอย่างใดเกิดขึ้นแต่ไม่มีปรากฏตัวตนของผู้รู้เลยมีแต่สังขารที่เกิดขึ้นแต่ผู้รู้ไม่ปรากฏแต่ก็รู้อยู่แก่ใจว่าสังขารที่เกิดขึ้นในขณะปัจจุบันนั้นๆน่นะไม่มีใครยึดบ้านถือบ้านไม่มีใครเสวยตรงนเนี้ยเนี่ย <c oughs> ที่ลวงตาเ็แต่ว่าอันเนี้ย อวิชชาขนาดจิตนั้นน่ะที่ไม่มีใครสเสวยเนี่ยคืออวิชชาไม่มีแต่ไม่ใช่ว่ายจะไม่มีอย่างถาวร <Okay. S 2> แต่ขนาดนั้นจิตนั้นนะ <Okay. S 2> ไม่มีอวิชชาเพราะว่าไม่มีตัวเราหลงมาเป็นสังขารแล้วก็ไม่ได้ยึดเอาสังขารมาเป็นตัวเราแต่มันเห็นเพียงแค่ขณะจิตขณะจิต oh. เป็นขณะจิตแล้วก็หลุกไป <Okay. S 2> เป็นตัวปรุงแตง่งเป็นเอาตัวเราไปปรุงแตง่งแต่ความที่เราเนี่ยเห็นอย่างงี้มากขึ้นมากขึ้นไอ้ความที่เห็นแต่สังขารมันปรุงแตง่ง แต่ไม่มีผู้สเสวีไม่มีผู้ยึดมั่นถือมั่นโอเคขณะที่มันมีแต่สังขารที่เกิดขึ้นมาในจิตมีความรู้สึกหรือคิดความพยายามปรงแต่งอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นมาในจิตทุกขณะ จ, จิตเนี่ยแล้วมันไม่มีใครไปสเสวยไม่มีใครไปยึดมั่นถือมั่นเจ้าตัวก็รู้อยู่ว่าขณะเนี้ยมันไม่มีใครไปยึดมั่นถือมั่นสังขารปล่อยให้สังขารเกิดขึ้นเองแล้วก็ดับไปเองก็จะเห็นอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็หลุดไปไม่เป็นสังขารหลุดไปเป็นสังขาร ก็ก็ยังไม่ยังไม่ขาดเราขาดมันยังไม่ขาดแต่ความเห็นแบบเนี้ยมันก็จะเต็มรอบไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันเต็มรอบไปจนกระทั่งว่ามันมีแต่สังขารสังขารความคิดจิตสังขารเนี่ยที่มันมันเร็วที่สุดแล้วมันมีกายอย่าสังขารวาจาสังขารแล้วก็จิตสังขารสังขารสามไอจิตสังขารเนี่ยมันละเอียดที่สุดและเร็วที่สุดไม่มีใครเข้าไปจิตบ้านถึงบ้านไม่มีใครไปเสวยอีกเลยตอนแรกๆมันก็คล้ายๆกับว่ามันก็เห็นเขาดขาดเห็นเก็นดขาดอย่างเงี้ย แล้วต่อไปการเห็นว่าสังขารที่เกิดขึ้นไม่มีใครเข้าไปเสวยมาเริ่มมาเริ่มเป็นมากขึ้นบ่อยมากขึ้นเป็นมากขึ้นบ่อยมากขึ้นจดียวกตั้งมีแต่สังขารที่เกิดขึ้นผู้เสวยไม่มีแล้วก็รู้แก่ใจว่าบัดเนี้ยไม่มีใครไปเสวยสังขารแล้วใจสิ้นผู้เสวยไม่มีตัวใจไม่มีตัวใจไม่มีตัวจิตมีแต่ความรู้ว่ารู้แก่ใจมีแต่ความรู้แก่ใจว่าบัดนี้สังขารทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปทุกขณะปัจจุบัน ไม่มีใครจะเวิดไม่มีใครลองรับไม่มีใครหลงเข้าไปยึดมันถือมัน่นไม่มีใครหลงว่าเอาตัวเราไปเป็นตัวสังขารเอาตองข า, าเป็นตัวเราเพียงแต่มีแต่ความรู้เป็นความรู้แก่ใจรู้แก่ใจว่ามีแต่สังขารที่เกิดขึ้นสังขารที่ดับไปออันนี้เนี่ยก็คือมันเป็นทางเดินของการของเฝึกจิตที่ที่มันเห็นละเอียดละเอียดมากๆแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนต้องผ่านผ่านทางเส้นนี้มันอาจจะมี ขณะที่บรรลุอราหันต์แต่ละท่านมันไม่เหมือนกันเจ้า <Okay. S 1> แต่ถ้าเราเนี่ย <c oughs> เห็นจิตเดินทางมาในสาย <c oughs> จิตเห็นจิตแดงแจ่มแจ้งเนี่ยมันจะเดินมาในทางเส้นนี้ <c oughs> แต่มันก็ไม่ได้ว่าหมายถึงว่าพอลงตาพูดแบบนี้แล้วทุกคนต้องทําแบบนี้ <c oughs> แต่มันก็ไปสิ้นสุดเหมือนกันคือสิ้นผู้สเสวยสิ้นความปรุงแต่งอย่างลุปุเทียนจิตตสุโพเนี่ย ท่านก็พยายามดูรู้เห็นทุกคิดเราก็อ่านจากหนังสือท่านนะเราก็ไม่ได้ไม่ได้ฟางท่านโดยตรงท่านก็ดูรู้เห็นความคิดทุกคิดดูอย่างนั้นเนี่ยผู้ดูผู้รู้ความคิดทุกคิดเนี่ยไม่เคยขาดวักขาดตอนเลยถ้าก็ดูต่อเนื่องมาหลายวันก็ดู ด, ดูลงหลงลล ง, ลงดูดอย่างเงี้ยมันก็เป็นมาเป็นเดือนเดือนเนะี่ยหลายเดือน แต่ตอนที่มันดูรู้เห็นได้ทุกคิดเนี่ยมันก็ต่อเนื่องเป็นวันแล้วก็ดูรู้เห็นอยู่สามารถเห็นความคิดที่เกิดขึ้นมาได้ทุกคิดแล้วก็ดูไอ้อผู้ดูผู้รู้เ น, นี่ยไม่เคยหายเลยแล้วก็สามารถเห็นความคิดที่เกิดขึ้นในทุกคิด <ST> <L> <ๆ>เดินจงกลมนะเดินจงกลมไปโดยจกมมาพอ <Okay. S 2> ถึงเวลาประมาณหกโมงเย็นท่านเดินอยู่ที่ชายป่าถึงเวลาประมาณหกโมงเย็น ก็ถ้าก็ดูเนี่ยเห็นความคิดทุกความคิดอยู่ๆเหมือนมีใครมาผักท่านเอระภาษาท่านใช้คาว่าซุบมีใครมาซุบภะษาอีสานมีใครมาซุบตีข้างท่านแล้วก็ท่านก็เลยแบบมันก็ถลําไปข้างหน้าไงเนี่ยท่านก็เลยหันไปดูว่าเอ๊ใครมาผักท่านท่านก็ไปหาหาคนที่มาผักหาก็ไม่เห็น ไม่เห็นคนผ่าอ๋ อ, อไม่เห็นคนผักก็เอาไม่เป็นไรไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เจอคนผ่เพอไม่เจอคนผักครบท่านก็เริ่มกลับมามาดูความคิดใหม่เสี้ยววันนีทีเดียวที่ ท, ที่ท่านเริ่มต้นกลับมาดูความคิดใหม่ท่านตกตะลึงเลยว่าอ้าว ไอ้ความตั้งใจที่จะมาดูความคิดเนี่ยมันดับไปแล้วนี่นะตอนที่ท่านไปหาควนผักเนี่ยมันดับไปแล้วแล้วท่านกลับมาตั้งใจที่จะดูความคิดใหม่อันไอ้ความตั้งใจที่จะดูความคิดต่อเนื่องมาเป็นเดือนๆเนี่ยแท้จริงมันเป็นความปรุงแต่งนี่แค่นั้นแหละท่านเลยปล่อยวางความตั้งใจที mm ่จะดูความคิดไป มันก็ขาดทีเดียวเลยมันว่ามันขาดทีเดียวเลยเหมือนกับว่าใครเอาเชือกมาล้งมาล้งต้นไม้ไอ้ที่มันต้ น, นอ่อนๆเนี่ยโน้มก็มาหากันแล้วก็มีมีดคมๆตัดทีเดียวขาดแล้วก็เด้งกลับไปเลยไม่สามารถเอามาต่อกันได้อีกเลยขาดสะบัน้นอันเนี้ยทีเดียวขาดเลยอันนั้นเนี่ยไม่ได้เห็นละเอียดที่ลูกตาว่าไม่ได้เห็นละเอียดที่ตาลูกตาว่า ที่บางท่าน่ก็เดินทางมาในใ น, ในสายพิจารณากายมาจนปล่อยวางเห็นกายเน่าตเห็นกายมีความแก่ความเจ็บความตายเน่าเปื่อยผุพังจนกระทั่งเห็นเห็นเนอย่างเงี้ยต่อเนื่องไม่ขาดสายจนท่านใจสิ้นความหลงหยึดมั่นถือมั่นในในร่างกายของตนเองและร่างกายของผู้อื่นเห็นว่าสังขารเป็นของไม่เที่ยงร่างกายเป็นของไม่เที่ยงก็มีความแก่ความเจ็บความตายหน่าเปื่อยผุพัง ตัวนี้พอใจมันปลงปล่อยวางปลงปวางพอปลงปล่อยวางไอ้ร่างกายหมดแค่นั้นแหละมันเหมือนโลกธาตุมันระเบิดออกมาจากข้างในมันเหมือนระเบิดโลกธาตุออกมาจากข้างในเลยระเบิดทะลุไปโลกธาตุจักรวาลโลกธาตุมันทะลุไปหมดแล้วก็ร่างกายตัวตนหายไปเหมือนกับไม่มีตัวเลยมันหายตัวได้แล้วก็น้ําหนักไม่มีแต่เวลาไปชั่งน้ำหนักมันก็มีน้ําหนักเหมือนเดิม เหมือนกับตัวมันหายไปไม่มีตัวน้ำหนักก็ไม่มีแล้วก็ไม่เห็นจิตเนี่ยเกิดดับเกิดดับอยู่ในความว่างคล้ายแสงยิงห้อยไม่มีความรู้สึกว่าจิตเนี่ยมันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์มันเกิดดับอยู่ในตัวแต่เห็นจิตเนี่ยมันมีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ในแต่ละขนาจิตเนี่ยมันเหมือนแสง ย, ยิงห้อยที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปก็คือ้นแล้วก็ดับไปเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองไปในความาาว่างเปล่ามันก็เหมือนกับโลกอับท่ามันก็แบบเหมือนกับ มันปลงปล่อยวางไปอีกปล่อยวางจิตแต่มันปล่อยวางไม่สนิทมันก็จิตมันก็ดิ้นหล่นแล้วอ่านี่มันมันเป็นอรหันต์แล้วเหรอเนี่ยเงี้ยมันเป็นอรหันต์แล้วพรมันปล่อยวางกายปล่อยวางจิตแั้นมันเป็นอรหันต์แล้วเนี่ยก็ดิ้นหลนไปสแสวงหาพระอรหันต์จะถามว่า จิตอรหันไปอย่างนี้หรือเปล่านะจิตเป็นอรหันจะเป็นอย่างนี้เปล่าจิตอรหันไปอย่างนี้เปล่าน่ยวิ่งว่าวิ่งวนวิ่งว่ามวิ่งวนขึ้นเขาลงเวยไปตามหาพระอรหันจะถามว่าจิตพระอรหันเป็นอย่างนี้หรือเปล่ามีพระหนุ่มเน้นนอนอยู่ตีนเขาตะโกนเรียกว่าวิ่งหาอะไรเนี่ยวิ่งหาอะไรตัวเองก็ไม่รู้ตัวเองว่าเหมือนคนบ้าวิ่งหาเหมือนคนบ้าเขาก็เลยตะโกนเรียกวิ่งหาอะไรเน่ยพอได้ยินเสียงกันนั่นแหะ ไอ้ธรรมมันก็กระแทกม ว, ว่าวิ่งหาเมื่อคนบ้าเลยธรรมเนี่ยย่อมไม่ดิ้นรนหยุดดิ้ น, นรนปรุงแต่งนี่แหะถึงจะเป็นธรรมธรรมย่อมไม่ดิ้นรนหยุดดิ้นรนนั่นแหละถึงจะเป็นธรรมแล้วก็นกี่มันก็หยุดการดิ้นรนลงไปวื้นไปเลย คืมันหยุดสนิทไปเลยเหมือนกับว่าไอ้ใครขับรถมาไอ้เครื่องที่มันร้อนๆเนี่ยร้อนจัดๆแล้วก็วิ่งมาระยะทางไกลแล้วใครถูกอน้ําเย็นน้ําเย็นที่มันมากๆสาดเข้าไปในเครื่องแล้วเครื่องมันน็อกกระชากบึง้งทีเดียวตอนี้เหมือนโลกระชามันระเบิดเป็นปทั้งโลกระชากเลยมันกบบดันหยุดเลยทุกอย่างหยุดกึก แ ล, ลแล้วเ่าโลกระทำมก็มันก็ระเบิดไปเลยอันนั้นนก็คือจบไปเลยเพราะันจะบอกว่ามีสูตรสาเร็จตายตัวก็ไม่มีไม่มีสูตรสาเร็จตายตัวแต่ก็ต้องสิ้นความพรุงแตง่งสิ้นความหลงสิ้นความหลงปรุงแตง่งค okay. กรณีหนึ่งก็อีกกรณีหนึ่งก็คือว่านึกว่าตัองมีความรู้สึกตัวอยู่อยู่ในขณะปัจจุบันนึกว่าตัวเอมีความรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุ บ, บันที่กำลังทําอะไรอยู่มีความรู้สึกตัวอยู่ในปัจจุบันที่กำลังทําอะไรอยู่แต่แท้จริงอ่ะส่งจิตออกนอกไปหาคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้เนี่ยแท้จริงส่งจิตออกนอกไปหาคนนั้นคนนี้ อ้าวเขาก็เห็นจิตเนี่ยมันส่งออกนอกไปหาคนนั้นคนนี้เหมือนเห็นจิตเนี่ยมันเป็นรูปเลยไปเข้าขอเคียคนนั้นคนนี้คนนี้คนคนที่ชอบมันก็เข้าไปมองหาคนนั้นคนนี้คนที่สวยคนนี้คนที่หล่ออะไรเนี่ยก็คือเข้าไปเข้าของเคียร์อ้าวแล้วก็เขาก็เห็นปุ๊บเห็นจิตมันอ้าวไม่ได้อยู่กับตัวนี่มันไม่ได้อยู่กับความรู้สึกตัวเขาก็เลยกระชากความรู้สึกตัวขึ้นมากระชากความรู้สึกตัวขึ้นมา พอกระชากความรู้สึกตัวขึ้นมาอ้าวก็นึกว่ามันไม่ออกไปไหนมันออกไปไหนเออดีจิตมันนิ่งดีมัไม่ออกไปไหนโ อ, อ้ดีจริงๆตอนนี้จิตไม่ออกไปไหนละดีจริง ๆ, นนออไไงๆแล้วก็มีความรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันอย่างนั้นเนี่ยแต่ก็นึกว่าเฮ้ยดีจริงๆจิตไม่ออกไปไหนเลยมาสงบนิ่งดีตอนนี้มันไม่ดันออกไปไหนเลยอ้าวมาตกใจตัวเองอีกอ้าวนี่มันหมกมุ่นอยู่แต่ข้างในนี่ มันไม่ออกไปข้างนอกแต่มันดีจริงๆจิตไม่ออกไปไหนเลยจิตไม่ออกไปไหนมันหมกมุ่นอยู่แต่ข้างในอ๋อเขาก็เลยทําความรู้สึกตัวขึ้นมาเอาอยู่กับปัจจุบันเอาความรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันแล้วก็เดี๋ยวมันหลุดจากข้างในหมกมุ่นข้างในมันก็ออกไปข้างนอกแหละหลุดออกไปข้างนอกแต่เ้ารู้ทันรู้ตัวทันเร็วแล้วเขาก็ทําความรู้สึกตัวมันก็หลุดออกจากข้างนอกเข้าไปข้างใน แต่มันก็รู้สึกตัวเร็วจากข้างในหลุดออกไปข้างนอกหลุดจากนอ ก, านอกเข้ามาข้างในสลับไปสลับม า, บบมาแต่มันสั้นเขา้าสั้นเข้าสั้นเข า, นเขาจนกระทั่งเขาอยู่กับความรู้สึกตัวจริงๆมีความรู้สึกตัวอยู่ในปัจจุบันแล้วไม่ส่งออกไปข้างนอกไม่ส่งเข้ามาข้างใ น, นขณะที่จิตมันไม่ส่งไปข้างนอกข้างหนเนี่ยมันรู้สึกว่าเบาและว่างปาเปล่าเบาสบายมากเลยแล้วก็เกิดไปเห็นว่าอายตนะภายในกับอายตนะภายนอกเนี่ยคือ รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสคือพลทพะและก็ธรรมารมณเป็นอยนายะนะภายนอกแล้วก็ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอยนายะนะภายในในขณะที่มีความรู้สึกตัวอยู่กับปัจจุบันเนี่ยไม่ตรงจิตออกไปข้างนอกไม่ตรงเข้าไปข้างบกบุนข้างในเนี่ยก็เห็นรอยช่องว่างระหว่างอยายะทนะภายนอกกับอยายตานะภายในมันมีความว่าง ระหว่างรูปกับตาเนี่ยมันมีความว่างระหว่างเสียงกับหูเนี่ยมันมีความว่างระหว่างกกินกับจมูกมันมีความว่างระหว่างลิ้นกับรสเนี่ยมันมีความว่างแต่เขาเพียงแค่เทียบแค่ว่ารูปกับตาที่เห็นรูปเนี่ยแม้แต่รูปมันอยู่ไกลก็สามารถมองเห็นรูปได้แต่มันไม่มีสายไยเชื่อมต่อระหว่างตากับรูปแต่ มันเป็นความว่างดังนั้นการรับรู้เนี่ยมันมีความว่างอยู่การรับรู้ทางหูเนี่ยเสียงมันอยู่ไกลมากเลยไม่มีสายไฟระหว่างหูกับเสียงระหว่างเสียงกับหูเป็นความว่างเอา้าถ้ายอย่างนั้นเนี่ยระหว่างธรรมาลมคืออาการอาการที่รับรู้ได้ภายในใจทั้งหมดคือเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมันเป็นธรรมรมเป็นอาการระหว่างอาการกับประตูใจเนี่ยอายตนาภายในเนี่ยมันต้องเป็นความว่างเขาเรียกเอา้า ถ้่ง น, นั้นอ่ะไอที่หลงเอาอาการทั้งหมดเนี่ยที่เป็นอาการอาการนํามาเป็นใจมันก็ไม่ใช่มันผิดในเ่ปุ๊บแค่นั้นเนี่มันเลยกลายเป็นความว่างระหว่างอายตนะภายในกับภายนอกเลยมันประตูใจก็ไม่ไม่ปรากฏกลายเป็นมีแต่ความว่างแล้วก็อายตนะภายนอกเกิดดับอยู่ในความว่างความคิดตั้งมวลเลยเกิดดับอยู่ในความว่างเหมือนดับอวกาศมันก็เป็นแบบเดียวกับที่ ท, ท, ที่ที่แรกที่บอกไว้เห็นพวกที่เห็นเลยจิตเกิดดับเหมือนแสงงห้อยอยู่ในความว่าง แค่นั้นเนี่ยพอจิตจิตมันก็เลยเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่ในความว่างเลยก็ขาดไปเลยทีเดียวกบาบซาทุเย้าค่านั้นจึงบอกว่ามันไม่ไม่มีสุดสำเร็จก็แต่ก็จะแก้ให้แต่ละคนตามที่ตัวเองที่ทุกคนเป็นแต่ไม่ใช่ว่าตองอย่างนี้ตายตัวแต่ถ้ามันเป็นอย่างเนี้ยมันก็มันก็ไปได้โยค่าไปได้ตามตามที่แก้คื อ, อแต่แต ตอนที่มันเป็นตอนที่มรุณิพานเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่ตรงกันเป๊ะแต่มันคืออาจจะแง่บุมแง่มุมที่ใกล้เคียงหรือตัวเองไปกระทบอะไรก็แล้วก็มันหยุดปรุงแต่งสนิทอย่างของมุยเนี่ยมันยังหลงดิ้นหลนค้นหาอยู่ภายใน <Okay. S 1> คื อ, อหลงวคราะห์ วิจารณวิจัยว่อาไอ้อย่างนี้ถูกหรือผิดไ อ, อ้ไอ้อย่างนี้รู้อย่างนี้หลงเวลารู้แล้วมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าจิตับไปอย่างงี้เปล่าคือมีการประมวลผลตลอดเวลามีการประเมินแล้วประมวลผลประเมินแล้วประมวลผลอยู่ในจิตตลอดเวลาเลยไอ้ตัวเนี้ยเราเนี่ยไปยึดว่ามีตัวเราไปยึดถือว่ามีตัวเราเป็นตัวเป็นตน แล้วก็เอาตัวเราเนี่ยประเมินผลในการในขณะจิตปัจจุบันที่มันเกิดอะไรขึ้นมีสภาวะอะไรเกิดขึ้นมุ้ยเนี่ยเอาตัวเราเนี่ยเข้าไปทําความรู้ความเห็นความเข้าใจแล้วประเมินผลให้ <Okay. S 1> ควรประเมินผลทบทวนว่าไอ้นี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นอย่างนี้อย่างงี้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ <Okay. S 1> เทียบกับคําสอนตลอดอ่ะมันก็เลยแบบว่าเราเนี่ยแทนที่จะปล่อยวางสังขารแต่เราหลงไปเป็นสังขารเจ้าค่ะเจ้าค่ะใช่แบบ น, นี้หรือเปล่า คือคืออย่างนี้เจ้าค่ะในความรู้สึกน่ะจะรู้มันเย็นไว้หันไปลมไปทุกคือความรู้สึกหนูนะเจ้าค่ะเหมือนกับว่ามันลงได้ไม่หมดเพราะว่ามันเหมือนมันคล้องพอมันคล้องเนี่ยอันนี้หนูเคยกลาบเรียนถามหลวงตาทีหนึ่งหมายความว่าเวลาที่มันยังเหลือคล้องเนี่ย มันมันไม่สามารถลงได้จริงมันก็จะค้ น, ค, นค้นของมันเพราะว่ามันลงไม่จริงมันลงก็ลงแป๊บนึงเดี๋ยวมันก็คว้าใหม่อย่างเนี้ยเจ้าค่ะก็นี่เนี้มุยไปตั้งท่าตั้งหลักว่าใจมันลงให้จริง่งตรงเนี้ยเสียท่ามันจะลงจริงหรือไม่จริงอ่ะไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยเพราะเราไม่มีตัวตนอ สาธุเจ้าสาธุเจ้าค่ะกับสาธุเจ้าค่ะ